ต, ตัวอย่างของการระลึกชาติได้หนึ่งพันโทแห่งกองทัพ บ, บกอังกฤษ การระลึกถึงเหตุการณ์ในชาติที่เล้แล้วมากำลังมีปรากฏบ่อยขึ้นทุกทีแก่บุคคลในยุโรปและอเมริกาโดยเฉพาะในบุคคลที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องเช่นนี้มาแต่ก่อนเลยแต่ในที่สุดบุคคลเหล่านั้นก็ต้องยอมรับว่าไม่มีทางหาเหตุผลอย่างอื่นใดได้นอกจากจะต้องยอมรับว่าเขาได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตจริงๆอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่ง แต่บางกรณีก็มีการระลึกได้มากกว่าชาติหนึ่งเหมือนกันเรื่องเช่นนี้ที่ผู้แปลนามาลงก็เพื่อว่าจะให้เป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธที่ไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้บ้างตามสมควรเพราะดูจะเป็นเรื่องแปลกและไม่น่าภูมิใจนักที่ชาวพุทธจะไม่ยอมรับเชื่อเรื่องนี้ทั้งๆ ท, ที่หลักวิชาของพุทธศาสนามีบ่งไว้อย่างชัดเจนส่วนผู้ที่ไม่ใช่ชาวพุทธ กลับจะยอมรับนับถือเรื่องนี้มากขึ้นทั้งๆ ท, ที่เป็นการค้านกับหลักทั่วไปของศาสนาของเขาอย่างชัดเจนนายทหารกองทัพ บ, บกอังกฤษระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้เขากล่าวว่าข้าพเจ้าเคยผจนกับอันตรายมาหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยนึกกลัวเหมือนอย่างเช่นครั้งนี้เลย ชกกายชะกันที่ได้มียศเป็นนายทหารชั้นพันโทแห่งกองทัพ บ, บกอังกฤษนั้นย่อมไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นโรคประสาทหลอนหรือคิดฟุง้งซ่านจนกระทั่งคุมสติไม่อยู่เป็นแน่และเมื่อชายชะการผู้นั้นหลังจากที่ได้ลาออกจากราชการทหารเมื่ออายุได้40ปีและได้เข้าประจำทางานอยู่กับกิจการฝ่ายพลเรือนต่อมาด้วยความสาเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีก็ย่อมจะเป็นทางให้คิดได้ว่า เขาไม่ใช่คนที่จะเป็นคนฟุ้งซ่านได้ง่ายๆเลยทีเดียวบุคคลผู้ที่เรากล่าวถึงนี้คือพันโทวิลเลียมแบล็กนีผู้เคยมาประจำการอยู่ในอินเดียถึงส0ปีในระหว่างนั้นเขาได้เคยอยู่ในดินแดนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นประเทศปากีสถานถึง18ปีอียังไรก็ตาม เรื่องราวเกี่ยวกับอินเดียทางใต้นั้นข้าพเจ้ารู้น้อยมากพันโทบแบล็กนีกล่าวอินเดียมีอาณาเขตกว้างขวางเป็นเหมือนทวีปหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นประเทศเดียวกันดังนั้นทางเหนือและทางใต้จึงมีอะไรต่างๆแตกต่างกันมากอย่างนึกไม่ถึงทีเดียวในปี1939เขาได้รับคำสั่งให้เดินทางไปที่บังกลอ ซึ่งเป็นสถานที่ห่างจากที่ตั้งของเขาในตอนนั้นไปทางใต้เป็นระยะทางถึง 2,000 ไมล์ความประสงค์เพื่อจะตั้งหน่วยขึ้นที่นั่นอีกแห่งหนึ่งการเดินทางครั้งนี้ภรรยาของเขาได้ไปกับเขาด้วยคืนหนึ่งเขาได้ฝันถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเป็นอิสลามว่าสุลต่านเป็ดและยังได้เห็นวัวและพระเจ้าของศาสนาฮินดูองค์หนึ่งด้วย เมื่อตื่นขึ้นมาเขาได้ถามชาวบ้านแถบนั้นว่ามีสถานที่ชื่อนั้นอยู่เท่านั้นบ้างหรือเปล่าปรากฏว่าไม่มีใครทราบชื่อนั้นเลยในตอนแรกจนกระทั่งต่อมาเขาได้พบชายแก่มากคนหนึ่งจึงได้รับคำบอกเล่าว่าสถานที่ชื่อนั้นเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งจริงแต่ได้เปลี่ยนชื่อใหม่นานมาแล้วโดยมีชื่อทางศาสนาฮินดูว่าภูเขาแห่งวัวของพระศิวะเจ้า พันโอแบลต์นีได้เล่าต่อไปว่าต่อมาอีกหลายสัปดาห์ข้าพเจ้ากับภรรยาได้ไปเที่ยวปิกนิกกันอย่างสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่ามันดีดรุกสถานที่นี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วว่าเป็นที่พักผ่อนย่อนใจมีทางเดินสวนและเรือนพักไว้สําหรับรับรองผู้ไปท่องเที่ยวชมวิวทั้งนี้เพราะที่นี่เป็นภูเขาสูงลูกหนึ่งซึ่งตั้งตระหง่านอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งกว้าง ตอนหนึ่งข้าพเจ้ากับเพื่อนคนหนึ่งได้เดินลัดลอไปตามทางเดินที่จะนำไปสู่ยอดเขาระหว่างทางเพื่อนของข้าพเจ้าได้ชี้ไปที่ปืนใหญ่กระบอกหนึ่งซึ่งเขานำมาตั้งไว้ข้างทางและพูดเป็นเชิงราพึงว่าอยากรู้ว่าปืนกระบอกเนี้ยจะทำขึ้นในสมัยไหนกันแน่โดยไม่ตั้งใจข้าพเจ้าได้หลุดปากออกไปว่าสมัยพระเจ้ายอชที่สแต่แล้วข้าพเจ้าก็ต้องหุบปากทันที เพราะข้าพเจ้าไม่ใช่ทหารปืนใหญ่และไม่มีความรู้ในด้านปืนใหญ่โบราณเลยซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเองต้องประหลาดใจมากในการที่หลุดปากพูดออกไปได้โดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีความรู้เลยเช่นนั้นอย่างไรก็ตามนับจากขณะนั้นเป็นต้นไป ข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาในใจได้อย่างแปลกประหลาดโดยที่ข้าพเจ้าไม่ทราบเหตุผลว่ากำลังกลัวอะไรและทำไมจึงได้เกิดกลัวขึ้นมาเฉยๆเช่นนั้นได้ต่อมาอีกสักครู่หนึ่งข้าพเจ้าก็ต้องหยุดและได้บอกให้ภรรยาของข้าพเจ้ากับเพื่อนเดินไปด้วยกันก่อนเพราะรู้สึกว่าไม่สามารถจะเดินต่อไปได้แล้วในตอนนั้น ตอนนี้ภรรยาของพันโทได้เล่าอธิบายให้ฟังว่าฉันเห็นเขาตัว ส, สั่นและหน้าซีดขาวจริงๆเขาไม่ยอมเดินต่อไปเลยในตอนนั้นน่ะแต่ต่อมาเขาก็ออกเดินไปโดยลำพังคนเดียวแล้วพักหนึ่งเขาก็กลับมาด้วยท่าทางตกอกตกใจเป็นอย่างยิ่งฉันไม่เคยเห็นเขาเป็นเช่นนั้นมาก่อนเลยนะท่านพันโทได้เล่ารายละเอียดถึงเหตุการณ์ตอนที่เขาเดินออกไปยอดเขาคนเดียวให้ฟังดังต่อไปนี้ ข้าพเจ้าออกไปเดินตามลำพังอีกในตอนหลังก็เพราะเกิดความประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ทราบว่าตนเองเกิดกลัวอะไรขึ้นมาได้ในขณะนั้นข้าพเจ้ายิ่งออกเดินใกล้ ย, ยอดเขาเข้าไปเท่าใดก็รู้สึกว่าความหวาดกลัวได้เพิ่มขึ้นทุกทีอย่างรุนแรงจนบังคับไม่ไหวมีความรู้สึกอยู่ภายในว่าเมื่อได้เลี้ยวโค้งข้างหน้าไปถึงยอดเขาแล้วข้าพเจ้าจะต้องประสบกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต ทั้งๆ ท, ที่ข้าพเจ้าก็รู้ดีว่าข้าพเจ้าไม่เคยมาที่สถานที่นี้เลยตั้งแต่เกิดมาแล้วก็ไม่เคยทราบเรื่องราวอะไรมาก่อนด้วยข้าพเจ้าต้องพยายามหยุดยืนข่มใจอยู่พักหนึ่งจึงได้ฝืนใจบังคับตนเองให้เดินต่อไปข้างหน้าได้พอเลี้ยวโค้งครั้งสุดท้ายถึงยอดเขาก็ปรากฏว่าข้าพเจ้าได้เห็นหน้าผาสูงชันเป็นชะงโูเขาขาดลงไปข้างล่างเป็นระยะทางไกลลิบทีเดียว แต่มันก็เท่านั้นเองไม่ได้มีใครหรืออะไรที่จะมาทำร้ายข้าพเจ้าซึ่งควรจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความกลัวอย่างสุดขีดได้เลยต่อมาเมื่อเราได้ถามถึงเรื่องนี้กับชาวบ้านแถบนั้นก็ได้รับความรู้ว่าหน้าผาชันแห่งนั้นเขาเรียกกันว่าผาติดปู ซึ่งแต่ก่อนนั้นอยู่ในความครอบครองของเจ้าชายองค์หนึ่งผู้ได้ใช้ที่นี้เป็นที่ประหารชีวิตศัตรูและเฉลยของพระองค์โดยจับคนเหล่านั้นมาที่นี่และผลักตกลงหน้าผาไปตายอยู่ข้างล่างอย่างทารุณเรื่องราวที่ได้ฟังมาจากชาวบ้านมีเหตุผลน่าฟังทีเดียวสำหรับความกลัวอันแปลกประหลาดของข้าพเจ้าเราทาให้ข้าพเจ้าแน่ใจว่าข้าพเจ้าเองคงจะต้องเคยถูกนาตัวมาประหารชีวิต ที่นี่ในครั้งนั้นแล้วอย่างแน่นอนหลังจากนั้นอีก8ปีข้าพเจ้าได้ถูกส่งตัวไปที่มาดรัสซึ่งอยู่ในอินเดียตอนใต้และซึ่งเป็นที่ที่ข้าพเจ้าไม่เคยไปหรือรู้จักมาก่อนอีกเหมือนกันในระหว่างที่อยู่ในกรุงมาดรัสนั้น ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้เดินผ่านสถานที่โบราณแห่งหนึ่งของบริษัทอีสต์อินเดียข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นมาลอยๆโดยไม่รู้สาเหตุกับเพื่อนที่เดินไปด้วยกันว่านี่แหละที่เนี่ยเคยมีคุกขังนักโทษอยู่แต่เพื่อนของข้าพเจ้าได้คัดค้านว่าที่นั่นไม่มีคนอยู่เลยและก็ไม่เคยมีมาเลยในอดีตด้วยแต่ข้าพเจ้าไม่ลดละได้ลองสืบถามคนเก่าๆแถวนั้นดูก็ได้ความว่า สถานที่นั้นแต่ก่อนนานมาแล้วเคยเป็นคุกขังนักโทษจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยโรเบิร์ตไคลฟ์ซึ่งเป็นผู้สร้างอาณาจักรอังกฤษในอินเดียและในยุคนั้นเองห้องเก็บพัสดุต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ได้ถูกใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่ถูกจับเป็นเฉลยในการสู้รบกับกองกำลังทหารของชาวพื้นเมืองเป็นอันว่าข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกแน่ใจขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองว่า ข้าพเจ้าต้องเคยเป็นนักโทษถูกขังอยู่ในที่นั้นมาครั้งหนึ่งแล้วอย่างแน่นอนและนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้ข้าพเจ้าคิดเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ในอดีตได้อีกเลยข้าพเจ้าไม่ใช่คนที่ฝังหัวเชื่อในเรื่องเช่นนี้มาก่อนเลยเป็นคาอธิบายของท่านในพันโทแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นว่า จะมีข้ออัฐถาทิบายในเรื่องความจำและความรู้สึกอันแปลกประหลาดมหาศา์นี้ได้อย่างไรนอกจากว่าจะต้องเชื่อว่าข้าพเจ้าเคยเกิดมาแล้วครั้งหนึ่งจริงๆในอินเดียในราวสมัยของโรเบิร์ตไคลฟ์และได้เป็นทหารชาวพื้นเมืองอยู่ในตอนนั้นต่อมาก็คงจะถูกจับขังคุกที่มาดราัสและถูกนำตัวมาประหารชีวิตเคยถูกผลักตกลงมาจากผาติด ป, ปูนั่นเองและด้วยเหตุนี้แหละ เมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาถึงสถานที่ที่ข้าพเจ้าเคยเกิดมาในชาติก่อนความทรงจําเกี่ยวกับอารมณ์อันรุนแรงที่ฝังใจอยู่จึงถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกโดยไม่ได้ตั้งใจความรู้สึกอันรุนแรงที่เกิดขึ้นในใจของข้าพเจ้าเป็นเหตุผลและประจักษ์พยานอย่างดีเกินกว่าทฤษฎีใ ด, ดๆทั้งสิ้นในชีวิตข้าพเจ้าเคยเข้าที่คับขันตกอยู่ในอันตรายมาหลายครั้ง แต่ก็ไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะเกิดความหวาดกลัวอย่างสุดขีดโดยไม่มีเหตุผลเหมือนกับคราวเดินขึ้นไปจะถึงผาติดปูนั้นเลยจากนิตยาสารเฟตเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2514